ต่านผังที่เคารพคะเราฟังรายการสันนีสนทนากันอยู่นะคะที่สถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM106 สถานีที่มีหมายเลขโทรศัพท์ 02-269-0006 ซึ่งท่านสามารถสื่อสารกับเราได้ไม่ว่าจะสื่อสารอะไรจะเขียนคำถามมาก็ได้จะขอหนังสือที่ท่านเจ้าวาดวัดของท่านมาคือพระมาอาพระคึกฤิ์โสติพโลนะคะได้มอบให้กับเรา หนังสือชุดพุดทธวจนะสัตว์ดาราสามเล่มก็ได้ส่วนช่องทางติดต่ออีกช่องทางหนึ่งซึ่งจะถามคำถามมาแล้วให้พระเพรบุอ์อภิปุนโนท่านมาตอบในช่วงเวลาที่สองซึ่งเดี๋ยวเรากำลังจะไปพบท่านเนี่ยนะคะก็ที่เพียวธรรม a ค m มหนึค่ะตอนนี้เรามานนัส ก, การท่านกันเลยนะคะนวส ก, การกท่านพร บ, บุญค่ะเชนพานค่ะพูดถึง คำถามที่ถามไปที่เพียวธรรมะ m อมหนึ่งศูย์หกในวันนี้ดิฉันมีอยู่ถึงสามคำถา ม, ม จ, ะจะรบกวนท่านทั้งสามคำถามเลยนะคะไ ด, ไดะ้มันมีคำถามหนึ่งต้องอธิบายมากดิฉันใช้คำถามที่สามที่สองก่อนก็นแล้วกันโอเคถามเกี่ยวกับพระสงฆ์สามารถเรียกพระสงฆ์ว่าเป็นสากยะปุตติยะได้ทุกลูกหรือไม่มสากยะปุตติยะคืออะไรกันไหะคือบุตรของ สมณะที่บวชในศักยบุตรเป็นศักยวงศ์คือศักยานี่แปลว่าอะไรคือพระพุทธเจ้าเนี่ยนามสกุลโคดมนะชื่อสินทัตนามสกุลโคดม อ, อยู่ในศักยะวงศ์วงศักยานี่เป็นวงที่ตั้งมาตั้งแต่ตอนนู่นสมัยปู่ทวดของพระพุทธเจ้านะปู่ทวดของเจ้าชายสินทัต t เนี่ยขับออกจากเมืองที่อยู่เชิง ภูเขาหิมพานแล้วก็ไล่มามาอยู่ตรงนี้แล้วก็คือชื่อว่าวงสักย ะ, ะน ะ, ะเพราะฉะนั้นวงสักยะเนี่ยก็อยู่ในบริเวณนี้นะเป็นอยู่ในเชื้อสายสักยะนะนามสกุลโคตมะชื่อสินทัต t h พราะพุทธเจ้าก็บอกว่าสมณะที่บวชอยู่ในคำสอนของเราเนี่ยจะเรียกว่าสักยะวงก็ได้สมณะสักยะปุตติยะคือสมณะที่เป็นเชื้อสายสักยะบุตรว่างั้นคะ่ะ ถามว่าทุกรูปเรียกได้ไหมก็ถ้าท่านบวชในสายนี้นะก็เรียกได้นะหมายความว่าถ้าไปบวชแบบยังไงอาจจะมีคนตั้งลัธิใหม่ขึ้นมาใช่ไหมเป็นลัติไม่ใช่สักยะนี่ก็จะเรียกเขาผู้นั้นว่าอย่างนี้ไม่ได้นะทีนี้ถามว่าความบริสุทธิ์ของความเป็นสมณะสักยะบุตรเนี่ยมันก็หลายระดับแต่คนที่เป็นปุถุชนก็มีพระที่เป็นปุถุชนก็มีพระที่เป็นเขาเรียกวอริยะบุคคลก็มีขั้นต่างๆก็มี พระที่เรียกว่าศีลบริสุทธิ์ไม่เหมือนกันก็มีปุถุชนก็ยังมีหลายระดับนะเห็นธรรมบ้างไม่เห็นทรรบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะค่ะเพันถ้าจะเรียกโดยรวมว่าเป็นสมณะเชื้อสายศักยบุตรนิยเรียกได้นะความาบริสุทธิ์แต่ละรูปแต่ละท่านจะไม่เหมือนกันคซึ่งปัจจุบั น, นเขาใช้คำว่าพระพระสงฆ์ค่ะเอองานเถอดค่ะนั่นเท่ากับว่าเหมือนกับเป็นการให้รู้ว่าบวชใน พระพุทธเจ้าถูกไหมคะบวใชในความเชื่อแบบพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นสากยะวงเป็นคนในสากยะวง์เรียนไปอินเดียนะคะปัจจุบันนี้วงนี้ก็ยังอยู่นะคะมีที่อินเดียพระทิเบตอย่างเงี้ยพระอ่าจีนอย่างเงี้ยพระเวียดนามเนะี่ยท่านก็บอกว่าท่านก็บวบวบทิศพระผู้มีพระภาคเจ้าเหมือนกันค่ะแต่ต้องเรียนท่านว่าที่<ม>พบเนี่ยไม่ใช่พบในนักบวชค่ะคือพบในประชาชนธรรมดานี่แหละ ก็เต็มไปด้วยผู้ที่ใช้นามสกุลศากยะอ๋อมีมีมีใช่ค่ะก็อาจจะเป็นวิธีของเขาในการที่จะเรียกสายสกุลเป็นวงกว้างมากกว่าถ้าคนไทยนี่ก็ยังต้องมีมีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าตาทวดไล่ลงมาใช่ไหมคะใช่ใช่ก็เหมือนอย่างคำว่านะอายุทยายอย่างเงี้ยเป็นลักษณะแสดงถึงความเป็นรัตนโกสิน์อย่างนี้เป็นต้นนะนะวงนี้อย่างเงี้ยค่ะก็ประสงค์ จะว่าไปใช้ได้ทุกรูปแต่ในเรื่องของความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์อันนั้นขึ้นอยู่กับว่าจะรักษาอย่างไรในแต่ละรูปถูกไหมครับคำคำที่คุณโยมเติ๋วใช้เมื่อสักครู่ว่าบวชในคําสอนของพรุทเจ้าเนี่ยน ะ, ะก็จะมีคําใช้ในสมัยพุทธกาลเขาใช้คําว่าบวชอุทิศเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าบวชอุทิศเฉพาะคนนี้นะเราก็จะทําตามคําสั่งของคนนี้นนผู้ที่บวชแล้วอย่างนี้จะเรียกตัวเองว่าเป็นสมณะเชื่อสายสักยะก็ได้ ค่ะแต่เท่าที่เราได้พบถ้าหากว่าเป็นพระสงฆ์ในประเทศไทยเนี่ยทุกคนก็สามารถเรียกได้ว่าเป็นสากยะวงหรือบวชอุทิตเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งนั้นนะคะเวนเ า, วาหญ่าดูเหมือนว่ารูปแบบนี้เนี่ยจะเป็นรูปแบบที่ทุกคนเข้าใจกันนะคะว่าบวชแล้วต้องมาศึกษาปฏิบัติตนตามธรรมะของพระพุทธเจ้า<ช>พระองค์<ช>นี้น ก็เคยเห็นก็เคยเห็นที่เชียงใหม่ก็มีพวกฤษีอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอย่างเงี้ยก็อันนั้นก็ว่ากันไปทีนี้มาถึงพอพระแล้วมาเรื่องมารเลยก่ะท่านค่ะอืคําถามที่สองก็บอกว่าเรื่องมารที่ท่านพิบูลคุณได้เคยกล่าวไว้ก่อนว่ารบกับพระอินทช่แสดงว่าพบสวรรค์มีทั้งฝ่ายดีและไม่ดีแล้วบรรดามาร สามารถขึ้นสวรรค์ได้อย่างไรคะอ๋ออันนี้ก็เป็นเรื่องที่พระเจ้าเล่าค่ะคือเราก็เอาของที่พระเจ้าเล่าไว้แล้วมาพูดนะไม่ได้แต่งไม่ได้เติมพระเจ้าเล่าถึงภพเนี่ยเอ่อต้องทําความเข้าใจบทพยัญชนะให้ถูกก่อนอ่าในสวรรค์ชั้นหนึ่งที่เรียกว่าชั้นดาวดึงเนี่ยนะมีอยู่สองส่วนส่วนที่เป็นเทวดาคือทั้งสองส่วนเนี่ยสวรรค์ชั้นเนี้ยเป็นเทวดาทั้งคู่แหละแต่เป็นเทวดาฝ่ายดี ก็เรียกว่าอยู่เชื่อว่าพวกพระอิน์มีอยู่หน้าที่ชื่อคือพระอินค <ะ S 1> ก็มีลูกน้องอะไรต่างนี่เขาเรียกว่าเทวดาฝ่ายที่1ส่วนฝ่ายที่สอง เ, เขาเรียกว่าอสูร <คะ S 1> อสูรฝ่ายฝ่ายอสูรก็คือเป็นฝ่ายที่มีมิจฉาทิจิแต่เป็นเทวดาเหมือนกั น, น, นเทวดาที่ไม่ดีว่างอนนเถ อ, อะทีนี้ต้องใช้คําว่าไม่ใช่แค่ว่ามานะมานี่จะเหนือขึ้นมาอีกจะมีเ <คะ S 1> ทวดาอีกชั้นหนึ่ง ที่เป็นชั้นที่6หรือชั้นที่5เนี่ยแต่มาไม่ได้ใจแต่ชั้นเรียกว่าชั้นปริมิตณัมมิตะสวัสดีก็จะมีมารอยู่อันนี้จะเป็นมารมารตอนนี้นะมีความสามารถมากอาสูรนี่ก็ยังน้อยกว่าแต่อสูรนี่ก็จะไม่เหมือนอสู ร, รกายนะอสู ร, รกายนี่คือพวกปีศาจ ท, ที่มีกายทิพย์แต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นเทวดาที่ชั้นต่ําลงมาอีกคือไม่ใช่เป็นเทวดาหรอกเป็นอบายอยู่ในภพบอบายบแต่เป็นอสูรอสู ร, รกายมารไม่เหมือนกัน ที่พูดถึงที่เจ้าของคาถามเนี่ยพูดถึงในที่นี้คือ อ, อสูรที่อยู่ในภพเทวดาชั้นที่สองคำตอบก็คือว่าถูกต้องนะเขามีมิจฉาทิฐิแต่มิจฉาทิฐิเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะเพิ่งมีหรือว่าคือมันพัฒนาได้มิจฉาทิฏฐิหรือว่าอย่างที่สองเาอาจจะมีมิจฉาทิฐิมาแล้วก่อนแต่ว่าไม่มากไม่พาพอพาที่จะไปตกนรกกาเนิดเด ร, รัยานเปตวิสัยได้ นะแต่ว่ามีบุญมีบุญในที่นี้คืออะไรเขาเจริญศีล น, นะมีการให้ทานเขามาขึ้นสวรรค์ได้แน่นอนนะแต่มีมิจฉาทิฐิที่ไม่มากถึงขนาดว่าทําให้ไปนรกได้เพราะงั้นเขาก็จะเป็นเทวดาที่เป็นมิจฉาทิฐิก็คือเป็นพวกอสูร <คะ S 1> ออสูรนี่อาจจะเป็นลูกน้องมารก็ได้บางส่วนแล้วก็จะมาสู้รบ ก, กันกับพวกเทวดาที่เป็นสมาธิถิคือพวกพระอินทร์ก็มีอันนี้เป็นเรื่องที่พระเจ้าเล่าให้ฟังอ๋อค่ะงั้นอย่างกับ อในประเทศไทยกรุงเทพเนี่ยชื่อบอกเป็นเมืองสวรรค์อ uh huh. ยังมีนครสวรรค์อีกออ uh huh. ยังมีสวรรค์คาโลกอีกอือ uh huh. <laughs> ย่างนี้เมืองแบบนี้มีทั้งทั้งมารและไม่มารอยู่รวมกันถูกไหมคะใช่ก็คือคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยคือชื่อเมืองจะจะตั้งให้มันเลิศวิริสมาหลาย่างงยก็ตาม น, นะแต่ <c oughs> ถ้าคนมันไม่มีศีลธรรมมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันคนมีศีลธรรมก็มีคนไม่มีศีลธรรมก็มีค่ะ <c oughs> หมแต่ที่แน่ๆในนรกนี่ เนรนรกนี้คือเป็นที่ไม่มีคนไม่ดีไปเกิดใช่ไหมคะคือต้องไปใช้กรรมไปไปไปรับโทษเหมือนกันเถอะไปถูกจองจำเป็นเป็นบริเวณที่ต้องถูกติดคุกอะ่ะเพราะฉะนั้นคนอยู่ในคุกเนี่นะมันก็มีคนที่ทํางานในคุกก็มีคนที่ไปรับโทษก็มีน ะ, ะหรือคนที่ไปสอนในคุกก็มีนะเดี๋ยวสมัยนี้เขามีการไปอบรมอะไรในคุคก น, นะค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพคะเดี๋ยวจะงง คือกราบเรียนถามท่านเพบูลเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ผู้ที่ฟังรายการแล้วส่งคําถามมาได้มีความรู้จากการศึกษาพุทธวจนะว่ามีการพูดถึงมารพูดถึงพระอินทร์แล้วพูดถึงว่าไปปรากฏอยู่ในที่เดียวกันจึงสงสัยว่ามา น, นี้อยู่ในสวรรค์ได้หรือเปล่าถูกไหมคะค่ะแล้วท่านไพบูลกําลังย้ําอย่างนั้นดิฉันก็เลยถามต่อเปรียบเทียบกันว่าท่านในโลกเนี่ยในทุกๆ ท, ที่เนี่ยมันมีทั้งมารทั้งเทวดาปรากฏอยู่รวมกันไหม เมื่อกี้นี้ดิฉันลืมใช้คําถามว่าเทวดาด้วยนะคะถ้าจะว่าไปอย่างบนโลกเราถ้าจะเปรียบเทียบกันโลมนุษย์เนี่ยค่ะในที่เดียวกันเนี่ยมันมีบุคคลที่เปรียบเทียบได้กับคนทั้งสองประเภทอยู่รวมกันนะคะเดนน่าใช่ใช่ใช่แล้วเทวดายิ่งจะละเอียดกว่า น, นั้นอีกในเรื่องของสภาวะจิตในเรื่องของผลของกรรมที่แต่ละรู้แต่ละตนแต่ละท่านเนี่ยจะได้รับ เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเล่าถึงเหตุการณ์สงครามระหว่างเทวดากับอสูรค่ะคือฝ่ายพระอินทกับฝ่ายอาสูรคือมีหัวหน้าคือเทวีประจิตแล้วก็สู้รบกันมันก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นมีฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีทั้งสองคนเนี่ยเป็นเทวดาอยู่ชั้นเดียวกันมั้งกันเถอะค่ะอืมค่ะทีนี้ก็ผ่านไปอีกคําถามหนึ่งต่อไปจะมาถึงคําถามสุดท้าย uh huh. ที่ไว้สุดท้ายเนี่ยในทัานจงใจไว้เพราะว่าจะได้มีโอกาสอธิบายคือ มีคนถามมาว่าเรื่อง fb ในสถานการณ์ปัจจุบันมีการโพสต์มากมายหลากหลายอารมณ์มมนะคะบางข้อความมีการประชดประชันหากว่าเราไปไลค์จะขัดต่อมากหรือไม่เจ้าคะอันนี้ต้องอธิบายเทคนิคเพิ่ม <term S 2> ด้วยะนะคะ fb คือ facebook ค่ะ facebook คือ facebook คือ social network เครือข่าย สังคมเครือข่ายบนออนไลน์คือโลกเทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะอยู่บนอินเทอร์เน็ตเขามีไว้เพื่อที่จะทำความรู้จักการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนแล้วก็ประกาศเรื่องราวที่อยากให้คนรู้ร่วมกันดิฉันใช้คำจำกัดความประมาณนี้ก่อนนะคะเออใช่ได้ถ้าจะเพิ่มเติมอะไรไหมคะสำหรับก็คไม่มีโอเคถูกต้องเลยค่ะ ปัจจุบันที่มีการโพสบนเฟซบุบนเอบบน f อฟบ b บนเฟซบ o ๊มากมายหลายอารมณ์คำว่าโพสหมายความว่านำขึ้นเอาไปปรากฏบนนั้นเพื่อเผยแพร่ถูกไหมคะใช่บางข้อความจึงมีการประชดประชันต่อว่าคือคนส่งไปนี่ก็มีคนหลากหลายประเภทเหมือนกันบางคนเนี่ยจะคิดว่ามันเป็นโลกที่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นเราเราจะพูดยังไงก็ได้เราจะไปด่าใครฝากเอาไว้บนนั้นก็ได้ อันนี้ดิฉันดิฉันพูดเองนะคะพระมีเกลียวี่ไปหากเราไปไลค์เขาก็จะมีวัฒนธรรมว่าใครเขียนอะไรขึ้นไปมันจะมีช่องให้เราแสดงความไลค์บางทีเขาแปลงภาษาไทยเ้าบอกถูกใจหรือไม่นะคะถูกใจถูกใจอย่างเงี้ยนะค่ะแล้วบางทีต่อจากถูกใจหรือไม่เขาก็จะมีให้เราแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์ถูกไหมคะอยู่ข้างล่าง แล้นี้บางคนเนี่ยไปรับเข้ามาเป็นเพื่อนแล้วคือเราสามารถรับใครไม่รับใครมาเป็นเพื่อนก็ได้อืเกิดเขาแสดงความรู้สึกอะไรมาบางทีไม่ได้อ่านนะคะท่านมไม่ได้อ่านละเอียดก็เลยคิดว่าถูกใจทุกอย่างเลยที่เธอส่งม า, มามก็เลยไม่มีเวลาจะเขียนคอมเมนต์แล้วขี้เกียจแล้วก็ไม่มีความเห็นด้วยแต่อยากทักว่าฉันรู้นะว่าเธอส่งกดไลค์ไปทีหนึ่งอืออันนี้ก็เป็นประเภทหนึ่งแต่อีกประเภทหนึ่งก็คือว่ากดไปเพราะชอบจริงๆโอยไปชนเลมันมากเลย คงจะเข้าขายที่ถามมันเนี่ยแหละนะคะว่าการส่งข้อความประชดประชันต่อว่ามาแล้วเราไปแสดงความถูกใจคือแสดงความเห็นด้วยอืจะขัดต่อมักหรือไม่เจ้าคะอ๋ออมักนี่ก็พูดไปชัดเจนนะว่าถ้าอาวาจาสอเสียดหรือว่าจาหยาบเนี่ยถ้าเรามีจิตไปทางนั้นนะะคือเราไม่พูดนี่อันนี้เราไม่พูดนะเพราะนั้นมันไม่ผิดเรื่องสมมาวาจายลนะเรื่องวาจาเราไม่ออกนอกมัก แต่เราจะไปผิดเรื่องสมาธิฏิถ้าเรามีจิตที่จะคิดว่าโอ้ยด่าคนณนุ้นด่าคนนี้คิดในใจอะนะอันนี้ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นความไปบาปสองอย่างเพราะฉะนั้นมันมันก็จะไม่ถูกแต่ถ้าเราคิ ด, ค ด, คดไปอย่างนั้นมันก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ ะ, ะท่านคะ่ะออันนี้คะ่ะดิฉันว่าเป็นคําถามที่ดีนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยเราคิดว่าออก็เพื่อจะเอาใจมาหน่อยวะขอโทษนะคะอเอาใจเขาหน่อยนะ ก็กดไลค์ไปหรือว่าใจเราบางทีนึกอยู่นิดหนึ่งว่าแต่เขาก็ประชดมาแล้วมันก็จะมีอีกประเภทหนึ่งเกือบจะไลค์ไปแล้วอย่าดีกว่าไม่เละไม่รู้ว่าเราทักทายมาไม่รู้ว่าเราอ่านก็ไม่เป็นไรเพราะว่าส่งมาแบบนี้เราไม่อยากถ้าความคิดนี้มันเกิดขึ้นความคิดอย่างหลังนะคะคือเหมือนกับว่าเห็นแล้วข้อความนี้มันข้อความเสียดสีประชดประชันแล้วตัดสินใจว่า อยากทักยังไงก็ไปทักเรื่องอื่นมาหลังส่งอะไรดีๆไม่ค่อยทักกันใหม่นี่นะค ะ, ะความคิดเช่นนี้ถือว่าเป็นสมาทิฏฐิไหมค ะ, ะถูกต้องถูกต้องเพราะว่าจริงๆถ้าเราเป็นเพื่อนกันนะนะเพื่อนอยู่ในออนไลน์เพื่อนที่ดีเนี่ยนะคุณจะต้องปอกป้องมิตรที่ประมาทแต่ถ้าเพื่อนเราประมาทเนี่ยประมาทยังไงเอาคุณพูดไม่ดีคุณเอาเรื่องไม่ดีของคอื่นมาเปิดเผยคุณมีวาจาส่อเสียดเอ้ยเสงของคุณประมาทแล้วนะคุณไม่รู้จักโทษภัยของนรกใช่ไหมฉันจะต้องเตือนเขาละ ต้องรู้จักรักษามิตรที่ประมาทเพราะฉะนั้นถ้าเราแบบว่าไปเที่ยวถูกใจเขาทำไม่ดีก็ถูกใจทำดีก็ถูกใจเป็นมิตรหัวประจบพระเจ้าเคยพูดอย่างนี้มิตรหัวประจบท่านคะที่ฉันขอสั้นๆเลยเวลามันใกล้จะหมดวันนี้ก็คือสมมุตินะคะเขามีการแต่งภาพบางคนเนี่ยเข้าไปก็สนุกดีทำได้ด่า สามารถที่จะทําให้มันเกิดภาพแ ป, กแปลกๆได้อก็เลยทำแล้วบางภาพเนี่ยมันก็เสียดสีประชดประชันหรือจะ อ, อาจจะเกิดอารมณ์ขันเชิงประชดประชนันยกตัวอย่างเช่นมีเหตุการณ์แถลงข่าวน้ําท่วมเนี่ยนะคะคนถแถลงในถแถลงแบบเป็นเรื่องเป็นราวก็ไปสร้างภาพดูแล้วมันขำแต่ในขนณะเดียวกันมันก็ประชดประเทศไปด้วยคือโต๊ะแถลงในแช่น้ําอย่างเงี้ยนะคะคื <Legends> เอเหมือนกับว่าเฮ้ยคนแถลงก็จะไม่รอดแล้วอย่างเงี้ยอย่างนี้ถือว่าเป็นพฤติกรรม ในลักษณะที่ไม่สามารถทิถีนี้ท่านว่าไ้มคะก็เป็นเป็นการทําให้มีการสอดเสียดนะเป็นการเป็นเฟิร์เจอร์ด้วยเป็นเฟิร์เจอร์ด้วยเป็นสอดเสียดด้วยมันก็ผิดสมวาราเหรอคะผิดสิผิดวาจาเนี่ยคือเป็นไม่ใช่แค่เรื่องคําพูดอย่างเดียวเป็นเรื่องของภาพเป็นเรื่องอะไรพวกนี้ก็รวมหมด่นะทีนี้คนทําเนี่ยเป็นอาศัตรุด์คือคนไม่ดีล่ะแล้วถ้าชวนให้คนอื่นมาชอบด้วยเนี่ยนะมาชอบสิ่งที่ไม่ดีด้วยเป็นอาัตรุษยิ่งกว่าอาศัตรูดอีก และเกิดไปชอบกับเขาด้วยเนี่ยคุณก็ถูกเขาดึงไปแล้วถูกตาะคะุณชมพับก<อ>็เป็นคนที่มีนิจฉาทิฏฐิใช่เวลาของเราคงหมดใช่หมหดแ้วนะคะท่านเปี่บุญค่ะที่ังคิดว่าประเด็นพวกนี้ยคงจะต้องมาถามบ่อยๆเพราะว่าเพื่อจะมาประยุกต์สถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไปตามโลกว่ากับศีลของพระพุทธองค์ที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยหรือมรรคของพระพุทธองค์ที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยมันจะไปด้วยกันได้หรือไม่อย่างไรคงจะขอวิเคราะห์อะไรบางอื่นนะคะเจริญ สำหรับวันนี้ทั้งสองที่เคารพค่ะดิฉันขอในมรสการขอบพระคุณท่านเพรื่บุญค่ะแล้วก็เราก็คงต้องลากัไปสั้นๆรายการสัมมนาและดิฉันหวนสีน้าพงษ์ทางเ m 1 0 6เอ็มอชิญมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะทุกทวดสวัสดีค่ะ